FM 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีเพราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระราชพิธีสําคัญในการเสด็จเถลิงถวัลย์ลายรัชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระเชษธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกา ส, สเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากในพระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศษเบื้องปลายวันที่12ธันวาคมศกนี้พระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศษพุทธศกราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย ชอบพวงชมพูกาแฟหอมกลุ่นชอบพวงชมพูเบเกอรีร่สดใหม่ชอบพวงชมพูรสชาติดนใจชอบพวงชมพูทุกเพศทุกวัยฝากทองได้ที่ชอบพวงชมพูศูนย์ปฏิบัติการชอบพวงชมพูให้บริการอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และห้องบริการจัดเลี้ยงแบบค ร, รบวงจรที่ได้มาตรฐานห้องขนาดใหญ่อากาศดีใกล้ธรรมชาติราคา ย, ย่อมเยาวด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพ ควบคุมการรังสรรค์เมนูอาหารคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้แล้ววันนี้ที่ 02-549-3161 ้ RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMU TT Farm Shop ทางเข้ามอทรอทันยบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬกานาทีถึง17นาฬกาขัดสังคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการพกแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบุรี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 ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นด้วยพื้นที่กว่า2000ตารางเมตรในสไตล์การออกแบบรองรับการจัดกิจกรรมทั้งโซนอบรมสัมมนารองรับได้10ถึง200ที่นั่งโซนห้องเรียนฝึกอาชีพโซนนิทรศการสร้างสารรค์ไอเดียพร้อมพื้นที่โถงขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่280ถึง750ตารางเมตรรองรับโซนกิจกรรมและแคมเปญพิเศษนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคัน ทั้งโปรเจคเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่และ w i ไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร0923189887หรือที่แฟนเพจ RMU TT Innovation andole d Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้นวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์์ เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอ ม, คอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจันทรรัสุภแสงคลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เมก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Comtoday Radio โนะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมอยู่กับผมพรชัยจันทราสุปรแสงนะครับพิมิ์คอมทูเดที่จะนำเนื้อหาสาระในช่วงของยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์มาฝากกันทุกๆวันจันทร์และวันอังคารนะครับเมื่อวานนี้ พี่มิงก็นำบางส่วนจากงานถแถลงข่าวเมื่อวันที่19พฤศจิกา ย, ยนซึ่งเป็นการถแถลงข่าวคอมมันด์เวิร์ก 2.9 ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่19 22ธันวาคมที่ไบเทคบางนานะครับเนื้อหาหลายๆส่วนคิดว่าก็น่าจะเป็น exclusive content จริงๆที่หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าในงานคอมมาดปลายปีเช่นนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเจอเขาเรียกว่า ไ, ไปสัมภาษณ์เหมือนเป็นเชิงสัมภาษณ์ คุณบุลเลอรนะฮะดาราไทยน ะ, ะคุณบุลเลอร์ดาราไทยหรือคุณเอนะครับซึ่งเป็น c ีอท่านใหม่มาร่วมเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคอมมานด์นะครับแล้วก็ยังมีผู้บริหารจากหลากหลายค่ายไม่ว่าจะเป็น asus นะครับ dell lenovo epson นะครับหรือสปีที่มาร่วมเอ็มเอสไอด้วยหรือแบรนด์หนึง่งที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันเมื่อวานนี้ไปหนึ่งคำถามและยังมีอีกหลายคําถามเดียววันนี้เราจะสโลวกันยาวๆเลยครับอันนี้เราฟัามาหนึ่งคถามแล้ว รู้สึกว่าแต่ละคนก็มีเรียกว่าไฮไลท์เด็ดๆมาตรงนั้นเลยจริงๆอีกหลายหลแบรนด์ที่ไม่มาร่วมแถลงวันนี้เองเนี่ยเาก็จะมีข้อมูลเด็ดๆมาฝากไว้เต็มเลยอย่างของอีเทลเองเขาก็บอกว่าครั้งนี้เขาเตรียมตัวเชนเจนที่จะมาเปิดตัวขายครั้งแรกในงานของมานในหลายหลายแบรนด์นะนๆๆนะที่เขาฝากมาแลนะหรือแม้ทั่ง AMD เอ็เอที่มาร่วมจอในครั้งนี้เอกเนี่ยมดีเขาก็เตรียมไฮไลท์แม้กระทั่งเพิ่มจานวนบูธด้วยนะหลายคนอาจจะพูดเจอบูธตรงนี้ดีตรงนี้ก็เนะอเพราะว่า AMD เาก็มี ไฮไลท์ใหม่ๆมานำเสนอเช่นเดียวกันนะครับมาอีกหนึ่งคำถามดีกว่านะครทีถ่ถามทางเ e กียร์ไปในเรื่องของโปรโมชั่นใขออนุญาตย้อนกลับมาที่ทางเอฟซันบ้านทางคุณคณิตนะของเอฟซันเนี่ยพอจะเปิดเผยอะไรพูกกิจกรรมไฮไลท์อะไรต่างๆในบุ๊กบ้างไหมครับคณินในเรื่อง ก, กิจกรรมอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ ท, ที่ที่พุ๊กปันนะครับก็ ค, คือในเ่วนของโปรโมชั่นแบดดิ้งนะโปรโมชั่นแิ้งเราคงไม่ได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่กล้บ เราคงไม่ได้อยู่นูนดูเฉยๆนะครับกิกรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือเราคงสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยกับโพรเซชั่ น, น, น, นบเช่นอาที่เช่นโพรเซชั่นหนึ่งในใ น, ในในในตลาดของการศึกษาเนี่ยถ้าเราเกิดว่าเร า, เราเราเราเราสามารถที่จะเขียนรูปนะครับเขียนภาพหรือเขียนชื่อหรือแม่ตั้งระบายสีแล้วก็สแกนรูปมันเข้าไปนะครับ การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของหลท่านนะครับก็คงจะเข้าไปแล้วก็ประมวลผลออกมาภาพนั้นเนี่ยออกมาเช่นเป็นรูปอาจจะเป็นรูปม้ารถนะครับก็จะเข้าไปบินอยู่ในโพชันแบนได้นันก็สามารถที่จะบิส่วนลวมเข้าไปกับ็นเจอที่บุเป็นสัได้เลยใช่ครับนอะครับอีกส่วนหนึ่งที่พูดอกอนะครับคของโปรโมชั่นอาจจะทำทามินิดนึงนะครับในเรื่องของพิเตอร์ ที่เป็น p ิ i n t e r อร์หน้ากว้างนะครับของยากษศ์เรานะครับเราจะมีโปรโมชั่นที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ p ิ i n t e r อร์หน้ากว้างที่เป็นลักษณะของ A2 ขึ้นไปได้รับความนิยมค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ราคาเนี่ยลงต่ำมากนะครับนะครับระดับที่ประมาณสักห้าหมื่นบาทเราสามารถพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ได้แล้วนะครับก็จะมีโปรโมชั่นมานะครับโปรโมชั่นก็จะนเรื่องของหมึกัหมึกครับือว่าจะมีโปรโมชั่นในเรื่องการปรกันตเงน ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมและโปรโมชั่นที่ทางเอเวอเรสต์เปลี่ ย, ยนเาไว้ผมเชื่อว่าอยากจะรู้มากว่านี้เดี๋ยวช่วงใกล้ๆน่าจะมีการปล่อยข้อมูลออกมาเป็นระยะๆนะครับขออนุญาตมาที่ฐานบุญ น, น้ของเ e โบ้าง น, นะเมื่อกี้พูดถึงไฮไลท์เทคโนลีแล้วอันนี้มาถึงไฮไลท์ของกิจกรรมและโปรโมชั่นครั้งนี้เตลียมอะไรไปบ้างครับก็บอกว่าครานี้เนี่ยเราลี่แตตัวเป็นซาอนจะลืมมาที่บูธเลโเวอรเพราะว่าเราจะยกต้นสน ม, มาที่กลางงาน ทุกทีเราจะมีตรงกลางเราจะเป็นรีดิชวชเราะวเราต้องขอบคุณทางเอที่ให้พื้นที่เราเราก็เอารีดิชั่นเนี่ยไปอยู่ด้านหน้าของใช่เพื่อให้ผู้โพได้ไะต่อแวตวด้นานในก็จะเป็นทำให้เป็นตีมในแง่ของเหมือนกับฉลองความสุขคูณ2 น, นะครับซึ่งตัวแรกเราแน่นอนครับซื้อเครื่องเราอย่างเช่นซื้อตัว Gaming เกมมิ่งเรนวลลีเจียเราเนี่ก็รับไปเล ย, ยลบาทตัวลีเจียนล้วปิดพันบไปจนถึงถ้าแบบยูาบางตัวนีห้าพันบาทวอเชอร์ ก็แจกจกะเต็ม น, นะครับหรือจะเป็นพวกหูฟังอะไรต่างเนี่ยก็โพชันจัดเต็มก็ไดพูดถึรงราคาที่ผมบอกว่าเจอแน่นอนตัวต่างกองหมื่ <Okay. S 1> างงานในแง่ของเกมมิ่งเดีย๋ยว ง, งาั้นเราก็จะถนไปทั้งหมดนะครับในแง่ของตัวคููสอนก็คงเป็นเรื่องของตัวเาเรียกว่าให้ผู้พูดใหญ่ได้มาดุนกันนะครับเรามีต้นการฝึกแล้วเราก็คงให้คนเนี่ยเข้าเข้ามาแล้วก็มาสนุกเพื่อไปชิงโชคนะครับอาจจะได้เต่าย์เกมมิ่งเวอัมูอคา12่บาท อย่างเหมือมนกัน่อยเราเราก็มีแจกแล้วนะก็อีกแบบดีมากๆนะก็มั่นอยู่นะครับแล้วก็ของมากมายถ้าบอกว่าเราผลไปเพื่อไปเคื่อที่บอกเราเป็นที่สุดของปลาปีนัน้เราก็จัดโปรโมชั่นให้กับผู้บริโภคกันนะครับนอกจากเทคโนโลยีที่แบบสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเจนสิบของ i n t นะครับแล้วก็เรื่องของตัว ai ระบบ ai นะที่เราใส่เป็นเครื่องในะโปรโมชั่นเนี่ยผมว่ารอบนี้น่าจะจัดเต็มนะครับ โปรโมชั่น1 0ก็จะไม่ตู้อถึงที่บอกว่าเนื่องจากราจะไม่ออกตอนนี้เราต้องคงต้องใส่กันเต็มเต็มที่งั้นัน่อช่วงตอช่วงก็ตองใช่ครับซื้อไว้ก่อนซื้อไก่อนทางเอ b เขาแอบดีไมเด็โปรโมชั่น1 0นะครับมาที่ทาง MSI บ้างทางคุณโหนงมีอะไรนำเสนอสำหรับต้องมีเอ e ิเบิรถูกต้อง0 ร้อยเปร์เซ็นต์หปริ้งเหมือนเดิมครับเกดงเคปไซ์ก็คือในส่วนงตัว Early Bird ครับของทุกๆกวันนะครับก็มีส่วนลด 50, 30และมี20เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนตปีกันมาใช่ครับช่วงช่วงนี้ว่าคนรอกันเต็มเลยนะครับแล้วก็มีส่วนลดอีก 1,000 ับาทอีก50ตสบอวันครับผมนะครับผมแล้วก็ในไฮไลท์ของงานนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแค่ในส่วนที่เป็นตัว ก็จะเป็นเป็นดีใหมเดียวเราก็จะมีตัว c ีพีรีวีเนเทที่เป็นเจนสิด้วยนะครับเราจะมีมุมในส่วนที่แปกตากว่าเดิมนะครับยไงไครับอ่ามุมอ่เขาเรียกว่ามุม Creator Creator oh. อ๋อก็สามารถคือในตรงนั้นเราจะโชว์เรื่องของตัวเจน10นะครับตัวเฟส14และ15บ <Okay. S 1> นะครับพูดย่าคือมาครบลายทีมเลยก็คือ p ฟสทีสิบสีเที่เป็น g o คูเอดีแล้วก็ p ฟสทสตัว HD, ที่เป็น k โ k ค, ครับนะครับซึ่งในงานเราก็มีจัดจาหน่ายด้วยอ๋อ ดูแล้วใช้แล้วชอบก็ซื้อได้เลยใช่ไหมครับก็ของทางเอเมซายก็มากับเ r e ร์รี่เบินะครับมืนเดิมแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่หลายคนรอในช่วงของการเข้ า, างานนตอนเช้ามาที่เดียวบ้างเดียวน่าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆที่บูโนเนาะก็พอมีครับคือโดยปกติแเรวก็จะมีของแถมนี่อะไรอยู่แล้ะในรีดีนี้บัลเลเชอร์ต่กับอืขึ้นอยู่กับ ใ น, ในแต่ละตัวครับแต่จุดหนึ่งที่ทางเดียวเราทำมาตลอดก็คือเป็นนายกองแต่ละนรอย่างพวกเราเอาจอมาทำเคียร์ 50% โมเอไอโอนวอลลุกเคียร์ 50-50% ก็จะเป็นในส่วนนาฬีการ ครับลูกค้าสามารถที่จะรีจิสเตอร์นะครับนอกจากื่องของแขเนี่ยผมขอพูดเรื่องของกิจกรรมดีกว่าได้ับส่วนที่อยู่ในรูดด้วยในรอบนี้เราพยายางโฟกัสในส่วนของตัวเกมมี่ที่เป็น10นะครับเลาอยางตัวที่ผมบอกในตัวนีเล่นด้วยครับแต่เอเล่นด่วยในส่วนของารดแวร์มันไม่พอหรือผมจะสื่อสารในมุมของ e ีโคซิสเ m ครับคือเล่นแวร์เนี่ยจะมีทั้งจอนะครับที่เป็นเล่นแวร์มีเมาส์มีคีย์บอร์ดแบบดีไซน์เป็นรูปแบบเดียวกัน เราพยายามสื่อสารตัวนี้ออกไปว่าเฮ<น>้ยมันไม่แค่ใช่ไม่ใช่แค่ฮาแบรเล็ย่เกียวเรา ล, ลูกค้าสามารถซื้อทั้งเซ็ตไปเป็นของแต่งบ้านก็ได้สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร, ลยราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แ ผ, น, ผนไทย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 พร้อมเปิดให้บริการแล้วกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาได้นสมุนไพรด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร2 5นย์ส9 9 9้ rmu tt farm shop ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดนักปลอดภัยไส้กรอกไร้แป้งไร้สารกันบูดเนื้อวัวพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไข่เห็ดนงสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอื่นๆอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMU TT Farm Shop ทางเข้ามอทรอร์อธัญบุรีศูนย์รังสิต ท, ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกนาทีถึง17นาฬิกาขัดสั่นคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับพิพิธภัณฑ์ บ, บัวมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่และพันธุ์บัวที่ชนะการประกวดในเวทีระดับโลกอีกมากมายบนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Activity In Museum การจัด ก, กิจกรรมและให้ความรู้เรื่องบัวตํำรับอาหารจากบัว ผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์แปลรูปจากบัวไอเดียการสร้างอาชีพจากบัวและคลินิกบัวที่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจําหน่ายสายพันธุ์บัวหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบบัวไม่ควรพลาดเชิญชมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ ร, รักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสโมงจันทร์ถึงศุกร์โทร 025493043หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการสื่อสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศ ในอิงลิสโซนพร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา1 2บสนกาถึงสานกาที่ชั้นสาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 ก็เท่าที่ฉันมีอยู่ก็ให้เธอหมดแล้วเพื่อคำว่ารักฉันทุ่มหมดตัวไม่เคยจะกลัวเสียใจแต่ดูเหมือนทุกสิ่งมันยิ่งเลือนลางสิ่งที่หวังทำไมหอนทางยิ่งปลายแสนไกลบอกลายฉันอทอ ไม่ใช่ที่หนึ่งในหัวใจเธอสักทีฉันไม่เหลือไม่มีหันถางนี่คือหมดทุกอย่างที่ฉันมีต้องทำแค่ไหนทำยังไรช่วยบอกที สิ่งที่หวังทำไมหนทางอีกไกล รายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลคัญบุรี FM 89.5 MHz เกุ้ดมเซนะครับอซุสมีอะไร เ, เด่นๆมาครับไฮไลน์บ้างก็อซุสเองนะครับก็ อย่างทั้งสองอแรงก็คือ s 0สกาเอวเองเนี่ยเรื่องโปรโมชั่นเรื่องดีเทลเน่อาจจะต้องขออุปไปก่อนนิดนึงนะครับแต่เรื่องของของแถมพิเศษแปลกๆเนี่ยอย่างรอบที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นตัวของอ่าสำหรับคนที่ซื้อเอ g ีเอเจมินต์บอลกไปอย่างเงี้ยครับซึ่งรอบเนี้ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอเขต้องมาดูกัน ครับแล้วก็หาไลท์อีกอันนึ่งของตัวในบูท LG เองเนี่ยกาของ ASUS เนี่ยก็จึงก็คือตัวเนี้ยเราจะมีตัว Experience Zone ครับนะครับที่จะเป็นตัวอย่างที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วสุดที่จะเป็น ASUS Duo นะครับที่จะเป็นมีหน้าจอ2จอครับอ่าซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็น innovation อีกตัวนึงเลยก็จะเป็นพัสดีด้วยทั้ง2หน้าจอครับก็จะเป็น p 4K Channel ครับแล้วก็ในพาร์ทของ LG เนี่ยโมเดลที่ไฮไลท์ก็จะที่แจ้ไปก็มีทั้ง Master Chip นะครับก็ที่มาโชว์ในวันนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คนที่ เป็นครีเอเตอร์ด้วยนะครับหรือว่าจะเล่นเกมเป็ น, นตัวก็คือจะมีเป็นซีรีส์เซฟรันนะครับสำหรับคนที่บางคนยังไม่รู้ว่าถ้าสมมติเกมมิ่งโนนบุกเนี่ยแลเราอยากจะเล่นเกมแล้วก็ทํางานไปด้วยเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วเรื่องการพกพามันเป็นยังไงเพราะว่าครับหลายๆคนกงจะทราบดีว่าเกมมิ่งโนนเป็นเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะแต่เรื่องสบายความร้อนเรื่องคุณสมบัตมันจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูกันที่ พูดเอสุสนะครับครับผมก็เป็นไฮไลท์หนักๆเป็นๆที่แต่ละแบรนด์แต่ละเจ้าออมาเสนอมาแบบนี้นะครับจริงๆนอกจากที่จะมีไฮไลท์ใสุดของตัวแต่ละแบรนด์ครับผมหน่อยครับทั้งนทงเจฮใช่ใช่ครับอ้าตะกี้ตอบม่ไงไม่ยังมีอีกยัแล้วนีทดแล้วเข้อมูลครับเลยครับสุดท้ายนะจริงๆแล้วผุอย่าในส่วนผมนะฮะในส่วนผมมอกว่า เขาจะใช้คำพูดขอบูลเลอร์บอกว่ามันไม่คงสุดท้ายมันคือช่วงทางตรมสุดท้ายทีย่เหลือกันมาสัก30มสิถึงห้เมตรสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วแต่ะ ท, ท่านที่พูดมาเนี่ยโปรโมชั่นโรงแรมหมดทางทางคําพูดทางสับทางเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอะจับไม่ได้แล้วนะว่ามันคืออะไรบ้างแต่อย่างนี้ดีกว่าฮะผมเอาเป็นว่าสินค้าทุกแบรนด์ในเนี้ยที่อยู่ในบูธของผมนะครับเอาเป็นว่าผม ยืนยันว่าอย่างนดีกว่าฮะว่าทุกแปลที่มีในบุสตสปีกนะฮะเรายืนยันว่าเราสามารถขายได้ในราคาที่คอนโทรลจากเบนเดอร์และเราสามารถขายได้ราคาที่ถูกที่สุดในมุมมองของลูกคา้านะครัุกส่วในมุมลูกค้าถ้าลูกคา้าท่านใดมองว่าสปีกขายแพงเนี่ยเดี๋ยวผมยินดีคืนเงินอ่าออกสื่ลยนะออกสื่อออกสื่อเนะออี่ยสนับสนุนรายการโดย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 ทุกขั้นตอนผลิตตามรูปแบบมาตรฐาน GMP และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์กำกับดูแลโดยอาจารย์บุคลากรชำนาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษาในการลึกสูตรการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าพร้อมเปิดให้บริการแล้วกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม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 MUTT ฟ a าร์ h ช p อยินดีต้อนรับค่ะที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัยไส้กรอกไร้แป้งไร้สารกันบูดเนื้อวัวพรีเมียม ว, ว้าวผักสดผักสลัดไข่เห็ดนงสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอื่นอื่นอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RM UTT Farm Shop ทางเข้ามอเรทรถธัญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาิก30นาทีถึง17นาฬกาขัดสังคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับ เรียนดีดกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมมีดีขนาดนี้แต่ไม่รู้ไปโชว์ที่ไหนไม่ยากเลยมาโชว์ผลงานกับเราสิคะราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเด็กดีเพื่อสังคมไทยปีสี่ิงถ้วยนายกรัฐมนตรีและทุนการศึกษารวมกว่า5 0,000 บาทสมัครได้แล้ววันนี้ถึง13ธันวาคม2562สอบถามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊กแฟ a เพจกู๊ดฮิสเอาท์หรือโทรศู6 6 5 3 7 7 7แล้วพบกันนะครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใจเธอคิดเปลี่ยนไปก็ไม่อยากจะรู้ในคำอธิบายอะไรทั้งนั้นนึกว่าเธอจะไปแล้วไม้ทุ่มาสุดใจใหกฉันนอง อย่าทำร้กันด้วยความ จะจบสิ้นอย่าเลยอย่าสมใจว่าฉันจะเป็นจะตายอะไรทั้งนั้นในเมื่เธอจะไป รู้เรื่องคอมรายการคอมทุ่งเดย์หน้านาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เม อันนี้เป็นไฮไลท์จากแต่ละแบนด์แต่ละรเทที่เขามาร่วมงานในครั้งนี้จริงๆตัวคหมมานเองเราก็มีการจัดเตรียมหลายกิจกรรมหลายโซนแน่นอนนะครับอย่างตัวช้อปปิ้งครบทุก 3,000 บาทนะครับเราก็มีคูปองให้ทุกคนมาร่วมรุ่นลักรถยนต์หนึ่งคันจากงานนะครับคราวนี้เป็นอะไรนะสุดที่สุดที่มีคนบอกนะตามนะเพราะผมว่าคนจะจำไม่ได้นะครับมีใน่วนของพนักงานยกของดยรอบนี้ นะีบางทีซื้อของเยอชคิ้วไม่ไหวเรามีเจ้าหน้าที่คอช่วยยกนะครับเดี๋ยวเราจะมีเสื้อให้เขาดูนะีเด็กสมองหมดไปว่าล็อกใส่เสื้อยงังไงนะอย่าไปให้คนยกที่แบบไม่ได้ใส่เสื้ออย่างเราเนะี <c oughs> นะ่ยแล้วก็จะมีในส่วนของบริการจะส่งของถึงบ้านนะครับซึ่งครั้งนี้เราได้ร่วมกับทางลาลาบูนะในการจะสบงตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับเซเว่นนะเดี๋นี้ที่เขาบอกว่าเราไม่แจกถุงพฏิใช่ไหมในงานเราไม่ได้แจกถุงพลสติกแต่ว่าเราแจกถุงผ้าด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้เราก็ได้รับ คอเอทางแคนที่เขาช่วยผลิตถุงผ้าออกมาแจกในงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่พิเศษที่เราร่วมกับทางธนาคารออมสินนะครับในการจับพื้นที่เป็นในส่วนของเขาเรียกว่ า, า future banking ธนาคารแห่งอนาคตนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยธนาคารจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนหมาเจอนในงานเพราะว่าเราจะทำให้เรียกว่าคุณไม่รู้สึกนไปแบงกนะ์ เราอยากให้ความรู้สึกว่าเหมือนต่อไปเวลาไปแบงกนึ่งมันเป็นเป็นเว w ร์ค i n g space สามารถเป็นรูมทำงานสามารถจะไปดื่มกาแฟ ى, นะเพราะว่าในครั้งนี้นะครับเราออกเทคโนโลยีในเรื่ององการ ใจมนะันด้วยใบหน้าผมได้แบบชาวบ้านเะนี่ยใช้เฟซของเราเนี่ยในการชำระเงิอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องไปหอสัมพันธ์ในบูธของพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับแล้วกาแฟไม่ได้มีแจกที่เดียวเพราะว่าเรายังมีอีกบูธนึงแจกเหมือนกันนะของทาง NCB เนะเหมือนเดิมนะที่หลายๆคนอาจจะอยากตรวดเครดิตนะที่เราพูดกันเสมอนะผ่อนซูน็เดือนแล้วทํำไม่นี่เสียอะไรเงี้ยเราสามารถไปเช็คได้นะหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวเองอาจจะมีคนไปทําบัตรโดยที่เราไม่รู้นะเราก็ไปเช็คได้ว่าเฮ้ยเครดิตเราเป็นยังไงถ้าเรา เราไม่เคยมีปัญหารเราจะได้ป่วยวายไปที่ถูกว่าเฮ้ยมันไม่มันเป็นสิ่งของเราอะเราสามารถจะดูได้นะครับแล้วก็บริการตรงนี้ก็คือพอเช็คเซิร์ฟบุ๊กแล้วก็จะมีกาแฟให้ดื่มเนี่เครื่องดื่มให้ดื่มเย็นๆที่บุฟเ่ของเอ็นซีด้วยเนะี่ยแล้วจริงๆกันนี้มีไฮไลท์อีกเยอะนะที่ที่พยายามจะเอามาเล่าแต่อาจจะเราไม่หมดภายในวันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆทยอ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยปล่อยออกไปนะครับมาถึงคําถามสุดท้ายที่อยากจะเรียนถามแต่ละท่านนะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยฝาก ถึงสื่อมวลชนปากทางเฟซบุ๊กไลฟ์หรือกับทุกๆคนว่าเชิญชวนมาแงะคอมมานด์นิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากใครดีคนที่ใกล้ที่สุดกันนะครับนะฮะก็ยังไงสําหรับคนที่แฟนๆเอา G เองนะครับหรือว่า A s u s เองนะครับสำหรับคนที่กำลังจะซื้อนาฬิกาเนี่ยก็ให้ผลพานะครับงานคอมมานด์ในเรื่องของตัวโปรโมชั่นเองนะครับแล้วก็สินค้าราคาพิเศษสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม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 ราคาขายย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยลาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999 RMU TT Farm Shop ยินดีนนนต้อนรั บ, รบค่ะ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 แม้ว่ามันรักเธอสักเท่าไรก็ต้องซ่อนในใจนี้เก็บงำผู้เดียวเก็บเอาไว้ในใจผู้เดียวต้องยอมให้ทุกคืนทุกวันปล่าเปลี่ยวที่ไม่มีจะเคียงข้างกายเธอคงไม่รู้ว่าฉันปวดใจแค่ไหนที่ต้องทำเมาาื่อ สองเราไกลชิดกันใจมันจะเป็นจะตาย รายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9ดสิบเก้าจดเมกเรับเดียวครั บ, เ, รบเออเพราะขอาจจอสึ้นปีนะครับเราใ้จะมีปองหาของ ไปใหรินแซบชลาเป็นกรีทอะไรต่างๆกในมุมของเดียวนะครับเราก็มีสินค้าตั้งแต่ตัวประมาณสอมพันเป็นพวกอ็อทเจอร์รี่ต่างๆให้เลือกซื้อนะครับแล้วก็รวมถึงพวกฮาร์ดแวร์ราคาถึเป็นแสนกว่าก็มีนะครับจนเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็อยากให้ลูกค้าลองมาทุกคนลองมาดูใช้งานือว่ามีอะไรเยอะอนะครับเรื่องเทคโนโลยีหลายๆเบนเดอร์รวมถึงรีเทลเลอร์ต่างๆก็มีเทคโนโลยีมาโชว์นะครับก็อดี้ มาผ่อนก็มาดูทนนะครับครับาริษัครับก็ไม่มีอะไรมากไปครับก็ฝากเชิญชวนนะครับครับก็ในส่วนลูกค้าที่มาเที่ยวชมงานอะไรเงี้ยครับก็ก็ปุ n า a ถึงปลายปีแหละก็เมืนซื้อของวันให้นี่เป็นของวันพี่ใหม่นะครับหรืออะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้ครับผมครับครับมาที่คุณาจะกเดืนตาคมรับตอนอย่างที่เราทราบกันนะครับคือ โปรโมว่าทุกคนจัดเต็มกันอยู่แล้วฉนั้นมาเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับส่วนที่สํำคัญจริงแล้วเราเห็นท่ า, าเศรษฐกิจของโลกว่าเป็นยังไงหรือท่าเศรษฐกิจอนประเทศไทยนะครับฉะนั้นก่อนที่จะเตรียมพวกเราต้องมีความพอมนะครับที่จะต่อสู้กับมันในปีหน้าฉะนั้นถือว่าเป็นทางเที่ดีที่ต้องมาอัพเกรดด้วยไอเดียนะครับฉนันมาดูว่าในวันนี้เนี่ยมีเทคโนโยีอะไรบ้างที่สามารถเอามาช่วยต่อยอดเราไปนะครับเราอาจจะทําธุรกิจแบบเดิมหรือจะธุรกิจแบบใหม่ ที่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่า ค, คำว่าดิสตรับเนี่ยมันเข้ามาแทกทํำชุดเก่าๆเนี่ยมันล้มหายใจจากไปฉะนั้นเราต้องมาอัปเกรดไอเดียให้ได้ว่าเออแล้วสามารถจะไปต่อยอดอยังไงบ้างฉั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากๆพี่ๆ เ, เพื่อนๆน้องสู่ชนทุกท่านก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ปกครองได้เข้ามานะครับงานเข้ามาก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีแล้วก็สุดยอดโปรโมชั่นทีรลุด น, นะครับขอบคุณครับมาที่ทางบุจินีของเอฟซันครับ ครับก็ช่วงปลายปีนะครับอย่างที่เชาบอก่ <c oughs> ที่พี่นอ ก, นะกอ็ช่วงปลายปีก็จะเป็นเรื่องของฝันแเพราะฉ <c oughs> ะั้นเนี่ยก็ก็คงต้องเชิญชวนนะครับว่าให้เข้ามาในงานข้องมาเวิร์กนะครับในช่วงปลายปีนี้นะแล้วเลือกซื้อสินค้าหนึ่งที่ขป็นันดที่นะครับก็คิดว่าน่าจะนับจนะครับคตา้องอางนี้มีในตาใช่างนี้มี Apple ออมสซ์มัสเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะแบเป็นวานกับพมาอ่าไอตรู้ติกันเลยมาดูาตอบกันเลยะครับมาดูวัฒนการต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อีคือพิเอร์โปรเจีลชันค่ครบโซลูชันมาที่นี่ท่าอบอกว่าของไม่คันเนาะว่าแก่ติดเา่นเขาถิ่นเลยในส่วนของผมนะครับอย่างที่เมื่อกี้พิงพูดว่า A I คือพี่ใหญ่ ในการจัดงานนะครั บ, ค, รบคุยได้เลยพี่ใหญ่นะครับคอมมานนจริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของดูแลคนอื่นในการในครับแล้ว่าจะเป็นดูแ ล, ลเจ้าใหญ่ทั้งหมดนะฮะถึงแม้ผมเป็นยูแ ล, ลรายเล็กต้องขอบคุณ a i พ p ที่เป็นพี่ใหญ่แลว้วก็จัดงานคอมามานดมาหลายๆรอบเขาไม่เคยหยุดนิ่งไอพีไม่เคยหยุดนิ่งทำให้มีการสร้างกระแสอ i ี IT เราเนี่ยให้มัน ก, กระเดื่องตลอดเวลาถ้าไม่มีอีเวนต์ใหญ่อย่างนี้นะฮะ ผมว่านะพวกเราเองหรือว่าคนในโวงการไอทีเองเนี่ยผมว่ามาันจะเฉาลงเรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณไอพแล้วก็งานเข้ามาจริงๆนะรวมทั้งจริงๆแล้วอ่ะมันทาให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้ใช้สินค้าไอทในราคาที่ผมว่าทั้งถูกแล้วก็หลากหลายด้วยนะฮะยังไงก็เชิญชวนมางานเข้ามานะครับ a i พีเขาไม่ได้หยุดนิ่งครับขอบคุณครั บ, บ ค, ครับผมขอบคุณทุกทุท่านสําหรับ การเชิญชวนในฐานะผู้จัดงานในประเทศไทยในไอเองก็คงต้องขอขอบคุณสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์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 หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ เขาวรวมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการสื่อสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศในอ l งล h z o n นพร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา1 2บสนาิกาถึงบสนกาที่ชั้นสาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่0 2น 5 4 9สี่เเธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้อทนเก็บไว้ภายใน ใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่เลยยดมันตาที่มันต่งไหลโรยรินนองอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้นรู้สึกกับเธอมากไปรู้สึกกับเธอทั้งใจ แต่ก็เป็นไปไม่ได้อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักกันด้วยหัวใจอยากเป็นคนนั้นคนที่เขาที่มีเธอข้างกายอยากจะทำทุกทางเพื่อให้เธอเหันมองและสนใจแต่มีฮือ ทำยิงใหไม่รู้จังทำแค่ไหนเธอจะรักกัน จะม่เธอนั้นยอมเปิดใจ รายการคอมทูเดย์านานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5สิบเกมกะเฮก็ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ การบันท eh ึกเสียงนีบางส่วนแต่เทปบันทึกเสียงบางส่วนที่นํามาตัดต่อแล้วก็นํามาฝากกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นช่วงของการแถลงข่าว c o m m a นด Work ร์กนั่นเองนะครับหลายคนก็มีคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ว c o m m a นด Work นี่มันต่างยังไงกับ c o m m a นดในที่จัดจัดมานะครับก็พอมีคนถามมาเยอะนะเกี่ยวกับธีมของ c o m m a นดที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งว่างานเหมือนเดิมไหมมีสินค้าเหมือนเดิมไหมลดราคาเหมือนเดิมไหมมีพิตธีเหมือนเดิมหรือเปล่านะวันนี้พี่มิงก็เอามาเล่าสู่ ในช่วงไทยของรายการวันนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าคอมม่าเนี่ยเราจัดกันปีละ3ครั้งนะครับโดยมีช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะมีชื่อที่เหมือนเดิมคือคอมมา่าแต่จะมีสร้อยที่่างกันเช่นคอมม่า o n n e c t c คอมม่า Joy แล้วก็คอมม่า o r k ตามลาดับนะฮะ ทีนี้มีหลายคนสับสนอยู่ไม่น้อยว่ามันต่างกันยังไงมีอะไรพิเศษทําไมถึงต้องแยกเป็นตีมด้วยก็ต้องขอย้อนกลับไปว่าในอดีตเนี่ยคอมบ์ที่จัดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเป็นงานโชว์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีบวกกับการจัดพื้นที่สําหรับการขายสินค้าราคาพิเศษนะครับและด้วยความที่จัดกันปีละ3าครั้งจะให้ตีมเหมือนกันหมดก็ดูกระไรอยู่ก็เลยทําให้แต่ละครั้งเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับโดยช่วงต้นปีช่วงต้นปีเนี่ย ที่เราใช้คำว่าคอมมานด์คอนเน็กเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับพวก IoT ซึ่งในต้นปีที่ผ่านมานะครับเราก็จับมือกับสมาคมไทย IoT นะฮะแล้วก็ขนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IoT เนี่ยมาโชว์กันในงานเพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่จะสร้างการเชื่อมต่อภายในชีวิตของมนุษย์ในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วพอมาถึงกลางปีนะครับเราก็ใช้คําว่าคอมบาทจอยจอยตัวนี้มาจากคําว่า enjoy นะฮะเป็นทีมที่เน้นความสนุกสนานโดยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกลางปีเนี่ยก็จะมีโซนที่ชื่อว่าจอยอาร์เคตนะฮะโดยการรวบรวมเกมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของจอยอาร์เคตซึ่งในครั้งนั้นนะครับเราก็ได้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้สนับสนุนเสร็จแล้วพอมาถึงปลายปีแบบนี้คอมบาทเวิร์กเป็นยังไงคอมบาทเวิร์กครั้งนี้นะครับก็ เรามีพื้นที่ที่เรียกว่าเน้นในเรื่องของการการการใช้ชีวิตที่มันเวิร์ขึ้นการทำงานที่มันเวิร์ขึ้นด้วยเทคโนโลยีซึ่งในครั้งนี้นะครับเราได้มีการจำลองพื้นที่ที่เราเรียกว่าฟิวเจอร์แบงกิ้งและก็ได้รับการสนับสนุนมาจากทางธนาคารอมสินในการยกฟิวเจอร์แบงกิ้งเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าแต่ละครั้งที่เราพูดถึงที่พี่มิงพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีธีมที่แยกกันไปแต่ว่าพื้นที่โดยส่วนใหญ่เกือบประมาณ 80% ก็ยังเป็นพื้นที่ในการที่จะให้ทุกคนได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนานนะครับซึ่งในปลายปีนี้ก็ต้องขอบอกว่าบูธแน่นมากนะครับนึกเอาแล้วกันว่าปกติแล้วเนี่ยกว่ากว่าเราจะเห็นหน้าตาผัางบูธเนี่ยก็ต้องไปเกือบวันสุดท้ายของการการเขาเรียกของการขายเนี่ยก็ใกล้ใกล้งาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ เราได้รับการสนับสนุนจากเวนเดอร์แบรนด์เป็นอย่างดีมากๆเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีแบบนี้นะครับหลายคนที่กำลังมองหาของขวัญให้กับตัวเองหรือคนที่คุณรักเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆกับ c อมม a r ด WORK 2019ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ถึงธันวาคมที่ศูนย์การประชุมไบเทควงเล็บบางนานะครับสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนาสะดวกสบายมากๆจัดที่ฮอลและ 99แล้ครับอ่ะก็ไล่เรียนความหมายของแต่ละรีมงานในตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีมาถึงขนาดนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนก็คงเกิดอาการกระเป๋าแบบมันร้อนและเดี๋ยวยังไงวันที่19เราต้องไปเจอกันที่ไบเทคบางนานะครับงานเปิดกันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณ3ทุ่มนะครับอ่ะเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอนนี้ที่เธอคงต้องการเธอคงรอคอยเพียงใครคนนั้นเดินเข้ามานั่งกับเธอน้ำตาที่รินไหลมีแค่เขาที่จะหยุดมันไว ชั่วโมงที่ย้อนไว้มีแค่เขาที่ใจเธอต้องการระหว่างที่รอเขาให้ฉันนังขานธอจะได้ไหมเพื่อไว้วัดเธอต้องการอะไรเพื่ออยู่คนเดียวจะไม่ไหว ช่วยเธอไม่ต้องเงาอยากทำน้าทีนี้แม่เพียงแค่ชั่วยเราแค่ต้องการเธอนี้ได้ไหมก่อนที่เขาจะมาแทนคนที่เธอรอ ไมช้าก็ไม่อยู่ข้างเธอคนที่รอเธอมีเวลาเหลือแค่ไม่นานก็ต้องไปน้ำตาที่ดินไหลมีแค่เขาที่จะหยุดมันไว ชั่วโมงที่อ่อนไววมีแค่เขาที่ใจเธอต้องการระหว่างที่รอเขาให้ฉันนั้งข้างเธอจะได้ไหมเพื่อไว้ว่าเธอต้องการอะไรเพื่ออยู่คนเดียวจะไม่ไหว ที่รอเขายัางน้อยช่วยเธอไม่ต้องเหงาอยากทำลาที่นี่มาเพียงแค่ชั่วคราวแค่ต้องการเั่า น, นี้ได้ไหมก่อนที่เขาจะมาแทน จะได้ไหมเพื่อไว้ว่าเธอต้องการอะไรไปดูคนเดียวจะไม่ไหวระหว่างที่รอเขาอย่างน้อยช่วยเธอไม่ต้องเงาอย่าทำมาที่นี้มาเพียงแค่ชั่วครา ตอนนี้ตื่นไหมก่อนที่เขาจะมาแทน